น้ำ108ที่ชื่อว่าน้ำได้แก่น้ำที่อยู่ในภาชนะขังอยู่ในสระโบกครนีหรือในบ่อภิกษุมีทยจิตจับต้องต้องอบัตทุกกฎทําให้ไหวต้องอบัตทุลใจทําให้เคลื่อนที่ต้องอบัตปาราชิกภิกษุมีทยจิตหย่อนภาชนะของตนลงไปถูกต้องน้ำมีราคาห้ามาศหรือเกินกว่าห้ามาศ ต้องอบัตทุกกฎทาให้ไหวต้องอบัตทุละใจทําให้น้ําไหลเข้าไปในภาชนะของตนต้องอบัตปาราชิกภิกษุทําลายคันนาต้องอบัตทุกฎทําลายคันนาทําน้ําให้ไหลออกไปมีราคาห้ามาศกหรือเกินกว่าห้ามาศกต้องอบัตปาราชิกทําให้น้ําไหลออกไปมีราคาเกินกว่าหนึ่งมาศหรือน้อยกว่าห้ามาศกต้องอบัตทุละใจทําให้น้ําไหลออกไป มีราคาหนึ่งมาศกหรือย่อนกว่าหนึ่งมาศกต้องบัตรทุกกฎ